อาสาธารณญาณหก็คือหนึ่งนะครับมหากรุณาสมาบัติยานอินเดียโปรปริยติยานอาสายนุสยะยา น, ย, า ย, านยมกะปาติหานายานสัพพัญยุตยานแล้วก็อันหาวรณะยานนะครับเป็นอาสาธารมนยานยานที่ไม่ทั่วไปของพระพุทธเจ้าอีกหอย่าง อ, อสมมุติว่าอย่างพระอรหันต์ทั่วๆไปนี่จะได้อส า, าธารณญนัยยา น, นไหมครับไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ไม่เรียกว่าอาสาเพราะว่า คือถ้าท่านได้ถ้าท่านเหล่านั้นได้ก็อย่างนี้ก็จะไม่เป็นอาสาธรรณะจะมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแสดงยมกะปาติหารได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่มีพระมหากรุณาสมาบัติแบบในในปฏิสัมพิธาได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะรู้อาศยานุสยะคือรู้อาอัธยาัยและอนุัยของสัตว์ทั้งหลายได้ พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ความยิ่งความหย่อนและอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะมีสัพพัญญุตญาณรู้สรรพสิ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหะที่จะมีญาณที่ไม่มีอะไรกลางกั้นเลยนะครับแคมนึกเ ป, ปื้อนและ ว, ว่าอะไรเป็นอะไรนะมีสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเรียกวาอาสาธารณญาณไม่ทั่วไปและพงษ์ก็ยังมีอปริหานิยธรรมเจ็ดครับธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมนะครับธรรมที่ไม่เสื่อม ก็ดูได้ในมหาปรินิาพานสูตรนะครับมีหลายหลายนัยยะด้วยกันแล้วก็พระองค์ก็มีอริยทรัพย์อีก7ประการนะบรรดาคนที่รวยที่สุดนะครับไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเลยนะครับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะศีลเนี่ยนะพูดถึงศีลเนี่ยพระองค์ร่ารวยศีลมากที่สุดแต่ถ้าพูดถึงศีลเนี่ยคนมีศีลก็คนมีทรัพย์อยู่แล้วนะครับพระองค์เนี่ยศีลเนี่ยรวยที่สุดพระอทรั พ, พ, พย์ของไม่อยากแล้วพระองค์ยังมีฮิริโอตปะนะครับ นี่ก็เป็นอริยทรนะัพนะครับพระองค์ยังเป็นผงหูสูดได้ยินได้ฟังมากผงหูสูดมี2 อ, อย่างนะได้ฟังมากอย่างหนึ่งผงหูสูดด้วยการฟังกับผงหูสูดด้วยการบรรลุอีกอย่างนะในสิ่งที่กบรรลุทั้งหลายแหละใครจะยิ่งกว่าพระองค์ผู้ที่มีทรัพย์คือจากกะก็จะมีใครจรักสยสละเท่าพระองค์มีสัพย์คือปัญญาใครจะมีปัญญาเท่าพระองค์วันพระองค์คงจึงมีอริยรัพย์เป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาลเอเราเคยได้ยินมาว่า ไอ้ทรัพหล่นี้มันมันมันเป็นมันเป็นกุศลใช่ไหมครับแต่ว่าปกติพระอาหารหันเนี่ยท่านจะละกุศลเสียทั้งหมดอะไรอเงี้ยอันตรงนี้บอกว่ามีทรัพย์มากแล้วก็ฟังแล้วก็เออคือท่านมีแต่ว่ามันไม่มีวิบากามีแต่ไม่มีวิบากที่จริงนะมหากิริยาก็คือมหากุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพระอรหันเรียกมหากิริยาแต่ว่ากุศลที่มันให้ผลได้เนื่องจากมีตัณหา ที่ให้วิบากเป็นธรรมดาเนื่องจากมีตันหานพระองค์ละตันหาแล้วกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอะ่ะถ้าจะเรียกว่ากุศลก็เป็นกุศลเพราะว่ากุศลนั่นแหละแต่เกิดในสันดานของพระอาหารเลยเรียกว่ากิริยานะครับเพราะฉนั้นคุณธรรมนี้มีแต่ไม่มีวิบากต่อไปทําไมจึงไม่มีวิบากเนื่องจากไม่มีกิเลสแล้วเขาบอกว่ากุศลเนี่ยนะจะให้ผลเนี่ยให้ที่ขันห่านะครับให้ผลเป็นขันห่านะ ทีนี้เมื่อต้นเหตุแห่งขันห้าไม่มีแล้วกุศลเหล่านั้นจะให้ผลในที่ไหนนะครับขันพระาหันพระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมก็แสดงไปกุศลจิตก็เกิดไปดีไปอะไรไปแต่ก็ไม่มีวิบากถามว่าทำไมจึงไม่มีวิบากเพราะไม่มีขันไปรองรับวิบากเหล่านั้นนั้นเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดวิบากเหล่านั้นนั้นสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทําก็เลยเป็นกิริยาเป็นเรียกมหากิริยาไม่มีวิบากต่อไปเป็นธรรมดาขอโอกาวันที่ ที่บอกว่ากรรมบางอย่างเนี่ยทําแล้วก็ให้ผลภายในเจ็ดวันภายในอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทําบุญในทํากรรมที่เป็นบุญนี่จะได้ผลภายในเจ็ดวันไหมเกอพ่อองไม่ให้วิบากนะเท่าที่ฟังนะเจตนาเนี่ยหรือจะเอาวิบากเอามาทําอะไรครับพระ อ, องคเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุดแล้วบุญในอื่นๆก็ไม่รู้จะเอามาทําอะไรอีกเหมือนกันนะบอกจะเอามาร่ำมารวยพระพุทธเจ้าก็รวยที่สุดในโลกแล้ว นะครับเพราะว่าอาวมกษัตริย์เป็นเมืองเมืองนี่คือลูกศิษย์ของพระองค์ท่านงนั้นเถอะไม่รู้กี่แผ่นดินเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะหรือถ้าโดยธรรมดานะพระองค์ไม่ต้องไปใสบ่บาตรหรอกพระองค์จะรับได้ทองสักเขาลูกหนึ่งเป็นทองให้หมดนะพระองค์ก็เนรมิตเอาจะไปะยากอะไรนะครับมองอะไรให้เป็นทองก็เป็นได้นะครับแต่ทีนี้ว่าพระองค์เห็นโทษของกามทั้งหลายมากนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าในพูดถึงทรัพย์เนี่ยนะพระองค์ยินดีโลกุตระทรัพย์มากกว่าที่ต้องการธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเหมือนเรานะพวกทองเงินเพชรพลอยก็คือมหาภูต ร, รูปทั้งหลายพระองค์ไม่ต้องการอกเพราะว่าสิ่งที่พระองค์มีเช่นอรหัตผลสมาบัติเนี่ยสุดยอดของความสุขแล้วนะครับดีกว่านี้ต่างเยอะแยะหรือนี่โรดสมาบัติสุดยอดสุขไปกันนะแ้วจะไปยินดีทําอะไรกับดินน้ํำลมไฟนะครับ <g ül> แค่แหวนเงินทองที่เราพูดก็คือาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับธาตุดินน้ำลมไฟพระองค์ก็เป็นผู้แสดงนั่นนะอสอราพิษเห็นไมอ น, น, นุนอะไรเงี้ยเห็นพระเจ้าขา <g ül> าาาา่ากกาาานนาาาาาา <g ül> าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาางาาาามาาาาาาาาาาาาาาาาาาานาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาานาาาาาาาาาามาาาาราาาาาาาาาาาาางาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาท่านเห็น สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยชนานาญมากเหมือนกันนะอย่างหนึ่งแล้วก็มองเห็นกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสีในอินทรีห้าพละห้าในโพชฌงและในอาริยมรรคนะครับนี่คือความกําลังของพระารหารันท่านท่านท่ามีกําลังเหล่านี้อยู่ในตัวคือเห็นสังขารด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้ชนานาญมากสบายมากเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์เนี่ย น, นี่สบายมากเป็นอนัตตาเนี่ยสบายมากนะครับ นี่เกําลังของท่านแล้วก็เห็นโลภะที่ยินดีในการวัตถุกรรมทั้งหลายนั่นคือหลุมฐานเพลิงอันนี้เก่งมากจริงๆเลยนะเห็นโทษของกิเลสตัณหาจริงๆแล้วก็จิตตั้งมั่นในสติประธานสี่สมมประธานสี่เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ถนัดเลยว่างั้นแทนอันคําว่าทรัพย์ในที่นี้ก็คือคุณธรรมทั้งหลายเองนะแต่เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐนะครับถ้าเกิดกับปุถุชนทั้งหลายหรือเกิดกับพระเสขา้าทั่วๆไปก็จะให้วมบาก แต่ทราบเหล่านี้มีกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้วิบากต่อไปคำว่ามีไว้ว่ามีความบริบูรณ์ว่างั้นเถอะถ้าถ้าเราเคยได้ยินว่าผู้ทรงผู้ทรงคุณครบถ้วนบริบูรณ์หมดเลยว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้านะนรครับครับเอ๊แแปลกนะครับที่ผมผมก็ลองแตยย่งเงินเวลาทําบุญเนี่ยทําไมบุญไม่ให้วิบากแต่เวลากรรมให้ดทีที่ทําไว้เนี่ยยังยังตามมาให้วิบากอ๋อบุญ คือเหตุที่ทํานะครับเราก็ต้องดูว่าเหตุใหม่ที่ทําเนี่ยมันมีกําลังขนาดไหนด้วยสมควรที่จะให้วิบากเป็นทิฏฐธรรมภายในเจ็ดวันไหมละ่ะบุญเนี่ยหาที่ไหนครับหาที่เจตนานะครับคือถ้าเราเราจะถามความมั่นใจว่าบุญเมื่อไหร่จะให้ผลสักทีหนึง่งคุณทําเจตนาแบบนั้นได้ไหมละ่ะถ้าทําเจตนาได้ขนาดนั้นจริงบุญก็ให้ผลในขนาดนั้นจริงก็สามารถให้ผลแต่คณีสขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างว่า อดีตเนี่ยนะรเราเป็นคนมีหนี้สินไม่รู้กี่พันล้านนะครับมาเพิ่งทํารายได้เดือนละหมื่นสองมืนเนี่ยนะมาทาไมไม่เห็นเหลือสักทีเอาคุณหนี้สินมันเท่าไหรอ่อ<ม>่นะครับแค่บางอย่างนี่ก็จ่ายหนี้เก่าไปก็ไม่หวาดไม่ไว้แล้วนะครับก็ถ้าหากว่าสมมตินะคิดดูว่าถ้าเราเกิดทําอาคุศลมาสักยี่สิบปีเนะียลองเจริญกุศลให้มันทํานานเท่ากับอาคุศลอนั้นยี่สิบปีนะไม่ได้ดีให้รู้ไปนะครับ ก็ต้องให้มันบวกลบคูณหารให้มันสมดุลกันน้อยนะแต่ถ้ามันให้พร้อมกันเนี่ยนะโอโ้โหดีใจกับร้องให้มันใกล้ๆกันนี่มันยุ่งเหมือนกันนะมีรถเนียกับรถก็ชนกันโครมมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่เอาไงนะบุญก็ให้ผลสมมติเรามีรถคันหนึ่งนะบาปก็ให้ผลเนี่ยรถถูกชนอย่างงี้ยนะ ท, ทำใจไม่ได้อีกนั่นแหละดีแล้วนะครับ แต่ว่าบุญให้บวชนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับบุญให้บวชอยู่แต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ได้บุญธรรมดาแล้ะต่อไปพง ก, ก็ยังมีโพชฌงอีกเจ็ดประการนะครับโชพชฌงแปลว่าธรรมะเป็นองค์ให้ตรัสรู้นะครับเพราะว่าพระอริยะท่านตรัสรู้ด้วยองค์องค์เหล่านี้นะครับองค์แห่งความตรัสรู้ทั้งเจ็ดประการไม่ว่าจะเป็นสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปสัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็เอกคตานะครับ คุณธรรมเหล่านี้ก็มีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระ อ, องค์ยังมีสัพพุ ร, ริสธรรม อ, อีก7ประกา ร, อองงา น, น, ระนะครับธรรมะของสัพพุรุตอีก7ประการพระองค์ยังมีนิชระวัตถุนะครับนิชระวัตถุเนี่ยนะครับวัตถุเป็นเครื่องกําจัดอีกเจประการธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อเกิดขึ้นก็จะกําจัดธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็มีสัญญาอีก7ประการก็ดีก็ดูใน ดูในสักกานิบาตนะครับในธรรมะหมด7ทั้งหลายก็พอดูเทียบเทบได้ น, นะครับหรือว่าเทศนาว่าด้วยทักษินยะบุคคลเจ็ว่าเออทักษินยะบุคคลเนี่ยมีเจนะในนั้นเขาใช้สับว่าไงครับเทศนาว่าด้วยทักษินยะบุคคลนะครับคือคําแสดงถึงทักษินยบุคคลเนี่ยพระ อ, องค์สามารถจำแนกแจกแจงว่าทักษินยะบุคคลเนี่ยมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วพระ อ, องค์นั้นยังมีเทศนาว่าด้วยพระรธรรมของพระขีณาศพเจ คือสามารถแสดงกําลังของพระคีนาศพนะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมีอะไรเป็นกําลังอย่างที่ว่าไปาเมื่อกี้เนี่ยหรือพระองค์นี่มีเทศนาว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา8ปัญญานี่จะเกิดได้เพราะอะไรเนี่ยพระองค์ก็สามารถแสดงได้หรือว่าสัมมตธรรมคืออริยมรรค8พระองค์ก็แสดงได้หรืออริยมรรค8เนี่ยพระองค์ก็มีนะครับการก้าล่วงพ้นโลกประธรรมแอันนี้พระองค์ก็ก้าล่วงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบคือถึงมีลาบ พระองค์ก็ก้าวล่วงพระพุทองค์ไม่เพลิดเพลินในลาบถึงพระองค์เสื่อมลาบถูกด่าพระองค์ก็ไม่เสียใจไปกันนะก็เลยเรียกว่าก้าวล่วงโลกธรรมแปดนะแล้วก็พระองค์มีอารัมภวัตถุแปดนะครับวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการปราลบความเพียรแปลกแปลประการนะครับเป็นคนเพียรวางั้นเธออาศัยเหตุการณ์ไหนก็เจริญความเพียรได้นะครับจะป่วยก็เจริญความเพียรได้ จะเดินทางก็เพียนได้เดินทางเสร็จก็เพียนได้อาศัยเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ปารบความเพียรได้หมดเลยนะนี่เรามีอารัมภวัตถุแปดแล้วก็มีอัคคณะเทศนาแปดนะครับก็บอกว่าเทศนาที่ว่าด้วยขณะที่ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้เนี่ยแปดอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นนรกเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ได้ไหมครับสิกานี้เกิดเป็นเดรฉานประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้ไหมยากถ้าเกิดเป็น เ, เปรตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็น พวกมีลักขะประชาชนถิ่นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นมูเซอร์เป็นกระเรียงเป็นชาวดอยเป็นเวียดแก้วเป็นเวียดนามเป็นอะไรบางอย่างนะบา ง, บางกลุม่มบางเผ่านี่นะครับไปอยู่แถบแอฟริกาแถบอะไรเนี่ยนะครับทําจะประพฤติพรหมจรรย์นี่ได้ไหมเป็นคนป่าคนดอยคนเถื่อนทั้งหลายและเนี่ยนะหรือถ้ามาเกิดเป็นชาวบ้านชาวเมืองถ้าเกิดมาสติปัญญาอ่อนมีตาบอดหูหนวกอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้เรื่องอีกนะครับ หรือเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแต่สติสตังไม่ค่อยเต็มเลยนะครับไปเข้าโรงเรียนปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยนะก็ไม mm ่ได้การในงานอีกหรือดันไปเป็นมิจฉาทิฏฐิซะอีกนะครับตรงนี้ไม่ได้ขณะอะไรสักอย่างหรอกครับหรือว่าโอ้ดันไปเกิดเป็นอสัญญาสัตว์เนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ใช่ขณะเพราะขณะที่เกิดที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์คือขณะที่เป็นมนุษย์รับพบพระพุทธศาสนาเป็นคนพอรู้ความมีสติมีปัญญานะขณะเหล่านี้กว่าจะได้นี่ไม่ง่าย แต่พระ อ, องค์สามารถมาแสดงให้เห็นได้ว่าเ อ, อคนที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยบริบูรณ์ก็นับว่าเป็นคนมีบุญเก่าวหมงอนกันเถอะนั่นก็รักษาบุญให้ละกันนะครับอย่าให้เสื่อมบุญเลยน ะ, นนนนนะขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเลยเพราะผู้ที่ล่วงขณะไปแล้วไปยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วเหมงอนกันขออนุาถามเรื่องอะไรวัตถุเป็นที่ตั้งความเพียรนะไง แ, แปดอย่างเช่นอาจารย์ยกเมื่อกี้ไม่ว่าในขณะที่กำลังเดินทางในขณะที่ทำอะไรก็มีความเพียร อยากให้ลองยกตัวอย่างสักเล็กน้อยคือบางคนเนี่ยนะครับคิดว่าเออนี่นะพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องไปกรุงเทพนะวันถ้าคนขี้เกียจ น, นะวันนี้ต้องนอนเอาแรงนะเพราะเราต้องเดินทางแล้วนะวันนอนเอาแรงก่อนอันนี้กูสีดาว่าถูกว่าเตูงกลางความเบียดค้านแต่ดันบอกว่าโ อ, อ้นี่นะพรุ่งนี้จะต้องเดินทางนะระหว่างเดินทางไม่รู้ไปเจอใครนักนี่จะเจริญกรรมฐ า, านเนียังไงจะปารบคําสอนได้ยังไงใส่ใจคําสอนให้ก่อนอ่างนั้นเถอะนะ อ่านี่ใครว่าคนขยันว่างั้นเถอะเขาก็หาอุบายมาปรากความเพียรได้หมดอ่ะนะบางคนก็บอกเออนะไปบินทบาทแต่บางคนขี้เกียจมาโอ้ยบินทบาทก็ไม่ค่อยได้อาหารก็กลับมาก็นอนว่างั้นเถอะขี้เกียจบินทบาทก็ไม่ค่อยจะพอชันอันนี้คนขี้เกียจเขาคิดนะคนขยันก็คิดเออบินทบาทไม่ค่อยได้ก็ดีร่างกายก็เบาก็ฉับก็เฉงก็ปี้กระเป๋าก็พอที่จะเจริญได้ว่างั้น หรือถ้าหากว่าได้อาหารดีๆมากก็โอ้ดีนะเนี่ยได้อาหารดีๆบริโภคซะดีเหมือนกันจะได้มีแรงเจริญกรรมฐานต่อไป<ม>อ น, นะท่านคืออาศัยแล้วก็น้อมไปเพื่อบำเพ็ญเพียรได้หมดแล้วนะหรือหายป่วยใหม่ๆเนี่ยคนบางคนก็คนขี้เกียจก็บอกโอ้พึ่งหายป่วยใหม่ๆเนี่ยนะนอนสะก่อนเถอะ<ม>พักผ่อนให้เพียงพอไปอะไรไปอย่าไปคิดอะไรมากอย่างนั้นเถอะแต่ท่านบอกโอ้นี่นะดีนะถ้านี่ไข่มันพึ่งแปกพึ่งหายเนี่ย นี่ทำไมรีบบาเพ็ญความเพียรถ้าเกิดมันเป็นอีกนี่จะไปเจริญความเพียรอะไรได้สักอย่างพ้นรีบเจริญนะนี่ก็เรียกว่าอารัมภวัตถุนะครับวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งปรรับความเพียร8ประการ น, นี่ต่อไปนะครับมหาปริสวิตตกแปดมหาปริสวิตตกก็คือความตรึกของมหาบุรุษนะครับไปดูในอนุรุท ธ, ธสูตรนะครับในอังคุตรนิการอัฏกาณิบาตนะครับอนุรุท ธ, ธสูตรนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ข้อหนึ่งรอยยี่สิบนะครับข้อหนึ่งยี่สิบ มหาปุริ er สวิตตก8ประการนะครับแล้วก็เทศนาว่าด้วยอภิพายยตนะ8เกี่ยวกับเรื่องฌานทั้งหลายอะไรนะครับแล้วก็วิโมกแปดวิโมกก็เกี่ยวกับเรื่องฌานอีกเหมือนกันแล้วก็ธรรมที่มีโยนิโสมนัิการเป็นมูลอีก9ก้านะสายโยนิโสมนัสการเนี่ยเป็นมูลแห่งสติสัมปชัญญะเป็นต้นนะครับหรือว่าองค์ของพิสูผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ประการนะองค์ของพิสูผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อความบริสุทธิ์นะครับ ปาริสุทธิประธานนิยังฆะใช่ไหมครับโอเคนะครับครับก็ดูได้นะครับในในหมวดเก้านะครับในอังคุตแล้วก็เทศนาว่าด้วยสัตวาวาสเก้าพระองค์นี่สามารถแยกภูมิมันเป็นที่อยู่ของสัตว์ได้ทั้งเก้าอย่างนะครับมีรูปต่างกันมีปฏิสนธิจิตต่างกันมีรูปต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันมีปฏิสนธิจิตเหมือนกันแต่รูปต่างกันเนี่ยนะ หรือว่าเหมือนกันหมดหรือว่าต่างกันหมดอะไรเงี้ยพงศ์ก็แสดงได้หมดแม้กระทั่งอารูปทั้งหลายแม้กระทั่งอาสัจจะสัตร์พงศ์เอามาแสดงได้หมดนะครับความสามารถอันนี้มีสําหรับพระพุทธเจ้าแล้วก็อุบายเป็นเครื่องกําจัดอาคาตวัตถุอีกเก้าถ้าโกรธเนี่ยนะเมื่อโกรธขึ้นเนี่ยควรจะคิดยังไงเนี่ยนะครับแก้ปัญหาอันนั้นยังไงเมื่อโกรธเนี่ยนะหรือว่าทํายังไงจึงยังไม่โกรธนะครับพงศ์เนี่ยโอ้ฉลาดในเรื่องนี้มากนะครับคิดให้ไม่โกรธได้ก็แล้วกันนะ คือให้รู้ว่าถ้าธรรมดาแบบนี้ควรคิดยังไงพระองค์ก็คิดนะครับพระองค์มไม่ปล่อยนะครับไม่ใช่ว่าฉันหมดกิเลสแล้วฉันจะไปดูคนเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยพระองค์มไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับอุบายวิธีเหล่านั้นก็ปฏิบัติเอางี้นะผ้าอรหันทั้งหลายนี่นะครับมีอไม่มีตันหาแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้หญิงมายั่วท่านอินทร Sang วอนเนีท่านไม่ได้ไปคล้อยตามอะไรเลยนะไม่คล้อยตามเด็ดขาดนะครับ หมาคําว่าไม่ไม่ให้ไม่มองครับเจริญกรรมฐานไปเลยอาจจะเจริญอสุภะเจริญปฏิกูลจเจริญอะไรไปเห็นโทษพิจารณาโทษภัยทั้งหลายแหลไปเลยนะครับท่านไป ม, มานั่งโอ้เนาะผมก็งามเล็บก็งามฟันก็งามผิวก็งามวัยก็งามอะไรก็งามไปหมดนะท่านไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นว่้ร่างกระดูกเดินได้อะไรก็ว่าไปท่านตั้งสติอินทรีย์สังวรไว้อย่างดีนะครับ แต่หมดแล้วแต่ว่าคือให้บ่งถึงว่าท่านไม่ประมาทจริงๆนะครับเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆนะครับนั่งยานวิทยยุทธไม่ใช่หรือหลับไปไม่ใช่ท่านใไขควนหมดนะท่านรู้อะไรเป็นอะไรหมดนะครับแล้วท่านก็ยังมีสัญญาเอ ก, ก้าประการนะครับสัญญาดีๆนะครับแล้วก็มีนันทธธรรมเอก้าประการมีอนุปภาพวิหารธรรมเก้าประการอนุปภาพวิหารธรรมก็คือ ธรรมะที่จะเข้าโดยลําดับนะครับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นจนถึงนิโรธมาบัด น, นะและพระองค์ก็ยังมีนาถะการณธรรมทำมันเป็นที่พึ่งอีก10อย่างแล้วก็พระองค์ยังมีเกษณาจตนะบอกเกิดแห่งกสินก็คือฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์ทั้งหมดพระองค์ก็มีนะครับและพระองค์ก็ยังมีกุศลกรรมบท10บริบูรณ์ดังนั้นถต่กายกรรมจีกรรมมโนกรรมก็ดีหมดอนะ และพระองค์ก็ยังมีสัมมัตธรรมอีก10ก็คืออริยมรรคแบวกสัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็เป็น10นะครับเรียกว่าสัมมัตธรรมอีกสินะความยังลงโดยชอบนะครับหรือพระองค์ก็ยังมีอริยว่า10นะครับทรมาเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ10แล้วก็พระองค์ยังมีอาเสขธรรม10เช่นสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระอาเสขะเป็นต้นนะฮะหรือพระองค์ก็ยังมีตถาคตพระละหรือกําลังของพระตถาคตสิบเรียกว่าทศพลยานนะครับ ก็ดูได้ในมหาสีหนาสูตรนะนะหรือว่าพระองค์ก็ยังมีอาอนิสงค์ของการเจริญเมตตาอีก11อย่างนะครับนะพระองค์ได้อานิสงค์ของการเจริญเมตตาหรืออาการของธรมธรมจักร12ธรรมจักรอาการ12ก็คือสัจยานกิตยานกตายานอย่างละสีก็เป็น12สนะครับสัจยานอีกส่ 4, ใช่ไหมกิตยานอีก4กตายานอีก4นะครับในธรรมจักรก็เป็น12 ปริวัติตั้งอะครับ <3, 3, S 1> ครั บ, น, บนั่นแหละสามบสองอาการนะดูในธรรมจักรนะอาการธรรมจักร12พระองค์ก็ได้แล้วพระองค์เนี่ยทุต ด, ดงข้าคุณสิบานี่ก็บริบูรณ์นะครับแล้วพระองค์ก็ยังมีพุทธญานอีก14ข้อพระพุทธญานตามความเข้าใจของผมนั้นได้แก่พระองค์แทงตลอดอริยสัจ4ี่พระองค์มีปฏิสัมพิทาสี่แล้วพระองค์ได้อาศัธารณญาณอีก6ประการนะครับเป็นพุทธพุทธญานสิบสีและพระองค์ก็ยังมีวิมุตติ ปริปจัจ ني ยธรรมนะครับทำที่เป็นเครื่องบ่มมิมุติอีก15ประการก็ได้ยินเขาแปลอย่างนั้นนะครับธรรมะเป็นเครื่องบ่มมิมุตสิบหประการ15ประการนี้คืออะไรบ้างครับคือ1ถ้าจะเจริญสัตทินรีนะเจริญมิมุตมิมุติคืออะไรก็ความหลุดพ้นน่ะได้แก่การอบรมอินทรีย์ทั้ง5นั่นเองนะครับอินรีห้าเนี่ยนะจะเจริญได้หนึ่งถ้าเราจะเจริญสัทธานะหลีกเลี่ยงคนไม่มีสัทธา ถ้าจะเจริญวิริยะนะครับหลีกเลี่ยงคนเกียรคร้านถ้าจะเจริญสติหลีกเลี่ยงคนประมาทถ้าจะเจริญสมาธิเลี่ยงคนฟุง้งซ่านถ้าจะเจริญปัญญาเลี่ยงคนเข่าก่อนนี่อันดับแรกนะครับเหมือนกันตามหลักมงคลเป้เลยนะครับเขอบอกว่าเลี่ยงคนที่ไม่มีอินทรีย์ทั้งห้าก่อนนะนะั่นแหละอย่างที่สองก็คบคนมีอินทรีย์ห้านะั้นะนะ่ะครบคนมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและก็มีปัญญานนะนะ ทีนี้แล้วก็พิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธาเป็นต้นนั่นเองถ้าจะเจริญสัตินทรี่ก็หาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธามาเรียนรู้มาศึกษาถ้าจะปาราบความเพียร น, นี่แหละเพเช่นอา่านอารัมภวัตถุแปดให้มากๆเนี่ยนะอย่าไปอ่านกุสีตาวัตถุมากไปอา่านอารัมภวัตถุเยอะๆนะครับเป็นต้นนะถ้าจะเจริญสติก็ศึกษานิมิตของสติให้มากๆศึกษาสมาธิก็สมาธินิมิตศึกษา ปัญญาก็ญาณจริยาคือขันธ์ขันธาระยิยตนะมาเพ่งมาไข่ควรให้เยอะๆอนะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีอานาปานาสติอีก16นะครับคือมีสี่จตุกะนะครับถ้าเกิดมี4ี่จตุกะจตุกะแรกในคนติกายานุปัสนาจตุกะที่สองเวทนานุปัสนาจตุกะที่สามเรียกว่าจิตตานุปัสนาจตุกะที่4เรียกว่าธรรมานุปัสนาจตุกะแรกก็เช่น เมื ua, au, ่อหายใจเข้ายาวก็ร well. ู 2, er okay ้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหนึ่งยสองหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้วหายใจออกสั้นแล้วก็สก็คือถึงทําศึกษาว่ากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกระงับกายะสังขารหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสี่ข้อนี้เรียกายานุปัสสนากําหนดรู้ปีติกําหนดรู้สุขกําหนดรู้จิตตะสังขารระงับจิตตะสังขารนี้ก็เป็นเวทนานุปัสสนากําหนดรู้จิตนะ ทำจิตให้ร่าเริงตั้งจิตมั่นแล้วก็นะเพิกจิตนะครับอันนั้นก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงความคลายกําหนัดความดับก็ความสลละคืนนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนานะครับอันนี้อานาปานสติมีวัตถุ16บหกนะครับแล้วก็ยังมีอัตตปนียธรรมอีก16อันนี้นึกไม่ออกว่าอะไร แล้วก็พระองค์ก็มีพุทธธรรมอีก18นี้ก็ยังค้นอยู่นะครับและพระองค์ก็ยังมีปัจเจเวขรายานอีก19ปัจเจเวครยาน19กก็คือของพระโสดาบันหของพระสกทาคามีห้าของพระานาคามีห้าของพระอรหันต์อีก4นะครับคือพระโสดาบันนั้นพิจารณากิเลสที่ละแล้วอย่างหนึ่งพิจารณากิเลสที่หลังเหลือนี่อย่างหนึ่งพิจารณามรรคพิจารณผลพิจารณานิพพานก็เป็น5พระสกทาคามีอีกห้า พิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังเหลือพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณนิพพานผ้านาคามีอีก5ส่วนพผ้ารหันไม่มีการพิจารณากิเลสที่เหลือเพราะหมดกิเลสแล้วก็เลยรวมเป็น19นะครับนะพระโสดาบัน5สกอทาคามีห้นาคามี5รวมเป็น15ของพผ้ารหันอีก4เป็น19ทีนี้ต่อไปพระองค์ก็ยังมียาณวัตถุอีก44ญสานาวัตถุ44ก็เช่นนะ ชรามรณะชรามรณะสมุทยัยชรามรณะนิโรธแล้วก็ชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทานนะครับก็ไล่ไปไปไปหาชรามรณะมีชาติชาติชาติสมุทัยชาติาตนิโรธ า, าคามินีปฏิปทาเป็นต้นนั่นเองอันนี้เรียกว่ายาณวัตถุนะครับ44ดูได้ในในเล่ม26นะครับในสังยุตตนิกายนิทานวัตตรงไหนที่มียานวัตถุ44หรือว่ายาณวัตถุ77นะครับก็มีในย่าแห่งการพิจารณา มีแนวให้พิจารณานะครับมีแนวให้พิจารณาตามนั้นในสังยุตตนิกายนิทานวัคนะครับเล่ม26แล้วพระองค์ก็ยังมีอุทยพยัญญาอีก50นะครับเห็นความเกิดของรูปประคันโดยอาการ5เห็นความเสื่อมของรูปประคันโดยอาการ5เพราะฉะนั้นเห็นเกิดเห็นเสื่อมของรูปประคันเท่ากับ10เวทนาขันสิบสัญญาสังขารวิญญาณอีกอย่างละ10เพราะฉะนั้นเห็นขันห้าเกิดโดยอาการ25เห็นเสื่อมโดยอาการ25เท่ากับเห็นเกิดเห็นดับโดยอาการ 50เห็นโดยเหตุที่จริงนะเหตุเกิดกับความดับนะเห็นเหตุเกิดและความดับโดยอาการ50ของขันห้านั่นเองและพระองค์ก็ยังมีกุศลธรรมมากกว่า50กุศลธรรมมากกว่า50หมายความว่าจิตตุ บ, บาทหนึ่งที่เป็นกุศลเนี่ยนะหรือจิตตุบาทหนึ่งที่เป็นมัคจิตผลจิตเป็นต้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะกุศลธรรมเหล่านั้นในมีบริบูรณ์ในในพระองค์หมด กุศลธรรมมากกว่า50เช่นธรรมสังขีนีนะจิตดวงที่หนึ่งเกินห้าใช่ไหมครับคุกวันนับแล้วนับซ้ำนะนะภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอย่างเงี้ยหรือว่าศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิเป็นต้นนะนะพระองค์ก็สามารถแยกแยะได้อย่างละเอียดละออนและพระองค์ยังมียาณวัตถุเจอันนี้ก็ดูได้ในเล่ม26ที่กล่าวไปแล้วและก็มีสมาบัตสองล้านสี่แสโกดอันนี้ใช้ทุกวันนะครับ ปกติเข้าสมาบัตรวันละสองล้านประมาณประมาณวันละสองล้านสี่แสนโกดนะครับแล้วก็มีมหาวชิรย า, ยานอีกเพียบหาที่สุดไม่นะพิจารณากว้างขวางลึกซึ้งนะครับยานประดุลเพชรเนี่ยนะครับขอข่าครับไอที่บอกว่าที่พระองค์เข้าเข้าอะไรนะสมาบัตรเข้าสมาบัตรสองล้านสี่สสแสนโกดใช่ฮะครับ นี่นับยังไงที่วะสองล้านตีแตนกดคือพ อ, องคไม่ต้องมานั่งแช่อะไรก็เข้าผ่านไปเลยคือเข้าแล้วเนื่องด้วยมนานัสิกานนะครับมนานัสิกานจะเข้าฌานนี้ก็สลับไปเรื่อยๆคือเนืงบางอย่างสลับอารมณ์ตรงไหนที่นับหนึ่ง <c oughs> ก็คือเข้าหนึ่งเข้าหนึ่งสมาเข้าหนึ่งเรื่องหนึ่งอารมณ์ก็เท่ากับหนึ่งเท่ากับเข้ากันหนึ่งเรื่องก็เท่ากับหนึ่งนึกว่าเข้าครับกว่านับทงขนาดจิตอ๋อไม่ครับไม่ไมนับขนาดจิตเพราะขนาดจิตก็พักเลี้ยวก็แสนโกดแล้วนะครับ คือก็คํานวณมานะครับแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือพระองค์น่าจะเป็นพระองค์แสดงเพราะอย่าลืมว่าอัตกถาทั้งหลายก็คือปกินณกะเทศนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคืออาจจะไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีติค ร, ครั้งที่หนึ่งนะครับแต่ก็สังคีติในอตาตกถาแล้วก็พระองค์ยังมีเทศนานายัว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยในอนันตนยะสมันตะปทานปกรณ์อันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอนันตนใยแล้วก็ พระองค์ยังมีเทสนาด้วยนะยังพิจารณาเองก็มีแล้วก็ยังเอามาสอนได้ด้วยนะครับบางคนก็พิจารณาได้แต่สอนไม่ได้อย่างเงี้ยนะในท่านทั้งพิจารณาทั้งสอนเอาหมดและแล้วก็พระองค์ก็มีญาณที่แสดงอาสยะของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดในโลกธาตุไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะครับสัตว์มีเท่าไหร่พระองค์รู้อาสยะของสัตว์ทุกสัตว์หมดพงรู้อาสยะของเราหมดเลยนะ แต่ถามว่าเราทําไมไม่รู้อ่ะคนตาบอดจะไปรูปมองเห็นตัวเองได้ยังไงดวงอาทิตย์ก็ส่องเห็นอยู่แล้วเพรนั้นเนตเมื่อนับโดยคุณธรรมเนี่ยอะไรมัางคุณธรรมที่พระองค์ไม่มีอย่างนั้นแต่เพียบพร้อมบริบูรณ์เขาเรียกว่า ม, มีภาค้ธรรมเพราะเหตุนั้นเมื่อควรจะกล่าวพระนามว่าภาควาภาคว า, พ า, ควาเพราะเหตุที่ทรงมีภาค้าแห่งคุณตามที่ได้กล่าวจําแนกไว้ท่านก็ขนานพระนามว่าภควาโดยรัะ อาอักษรเป็นอาอักษรนะครับพระพุทธเจ้าทรงพนาว่าพระควาเพราะหมายก็ว่าทรงมีพาฆ่าธรรมดังพันนน า, นา ม, มาชนี้ก่อนนะครับ<ช>อันนี้ครับไม่จบไม่สิ้นเลยนะผมก็พรนนานาไปตามนี้นะอันนี้เอาหัวข้อมานะครับรนะอ่านสรุปอีกครั้งก็คือนะพระองค์นี้ทรงมี ได้ทรงพาข่าแห่งคุณได้แก่ส่วนแห่งคุณอันเป็นนิรัสไสคือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่าอีกแล้วนะครับไม่จํากัดประเภทว่ามีเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็ไม่มีที่สุดด้วยไม่เป็นสาธารณะแก่บุคคลอื่นเป็นต้นนะครับอาธิบายว่าเป็นต้นอย่างนี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานัสทสนะพระ อ, องค์มีฮิริโอตตาปาพระ อ, องค์มีศรัทธาวิรยิยะพระ อ, องค์มีสติมีสัมปชัญญะ ตรองมีศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิตรอง์มีสมถะวิปัสนาแล้วก็มีกุศลมูล3 ม, มีสุจริตสมสัมมาวิโตกสามอนวัวชะสัญญาอีกสามท่า 3. ส, สติปทานสี่สัมมปทาน4อิทิบาสีนะครับอริยมรรสีอริ ย, รยผล4ปฏิสัมพิทาสียานกําหนดรู้กําเนิด4อริยวงสี่เวสารัชายานสี่ แล้วก็องของพิสูพุบาเพญเพียรอีก5สัมมาสมาธิมีองค์5สัมมาส ม, มาธิมีญาณ5อินทรีห้าพระละหนิสรณิยธาติ5วิมุตตายตนาอีก5วิมุตติปริปาจญยาปัญญาอีก5อนุสติฐาน6คารวะ6นิสรณนิยธาติอีก6กสัตตวิหารธรรมอีก6อนุตริยะ6นิเพทะ ภาคียสัญญาอีกหอภิญญา6กนะครับอาสาธารณญานหอปริหานิยธรรม7อริยทัพย์เจ็โพชฌงเจ็นะสัพปริสธรรม7นิช ร, รวะวัตถุ7สัญญา7เทศนาว่าด้วยทักษินยาบุคคล7เทศนาว่าด้วยพภะธรรมของภคีนาศเ7เทศนาว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญาอีก8ปดสมมตธรรม8การ9ล่วงการ9ล่วงพ้นโลกธรรมแปดอรัมภวตถุ8 อคณะเทศนาอีก8มหาุริษวิตตก8เทศนาว่าด้วยอภิพาัตนะ8วิโมก8หรือว่าธรรมะที่มิโยนิโสมนสิการเป็นมูล9องค์ของพิสุผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อความบริสุทธิ์เเทศนาว่าด้วยสตาวาด9อุบายกำจัดอาคาตวัตถุก้าสัญญา9้านานัตธรรม9้าอนุปภาพวิหารกระทำเม9นาถกรณธรรม10กสิณายตนะ10นะครับกุศลกรรมบท10 สัมมตาตธรรม1ิบอริยว่า10อาเสขธรรม10บตถาคตภะละอีก10อานิสงฆ์เมตตา11อาการธรรมจก 12, ักสิบสอทดง13พุทธยาน14วิมุตติปริปาจนิยธรรม15อ้าอนาปานสติ16อตะปนิยธรรมอีก16พุทธธรรม18ปัจเวคณะญาณ19 ยานวัตถุ44อุทยพยานย50กุศลธรรมมากกว่า50ยานวัตถุ77สมาบัติ2ล้าน4แสนโกรธนิชัยทุกวันแล้วก็มหาวชิรญาณ5เทศนาว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยในอนันตนาสมันตะปะทานระกรณ์นี่ก็หาที่สุดไม่ได้ยานที่แสดงอาสยะเป็นต้นของสัตว์ไม่มีที่สุดนะครับแล้วก็ในโลกธาตุที่ไม่มีที่สุดนะครับ น, นี่ผาคาธรรมที่พระองค์ทรงมีนะครับเราได้นับถือคนที่มีคุณงามความดีขนาดนี้กล่าวว่าพุทธังสรนังกชามินี่ก็ได้บุญแนนะครับขอให้เรามีผู้มีส่วนแห่งธรรมะนั้นด้วยเถิดอย่างนั้นนะนตัง <บา S 2> ต้ตงความปาณาขอตั้งความปานาเพื่อคือโดยส่วนหนึ่งก็ยังดีอ่างนั้นเนีนะมันขอจงเป็นไปเพื่อให้ได้นับถือท่านอ่างนั้นมีจิตมั่นคงคงอยู่ใน คุณความดีของท่านนี่ก็แจวแล้ว